รธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพ่อแม่ตายลูกหญิงชายให้สามัคคีกัน มาจากโลกาติปติสัมปติการชนตีอันธิวรังกัาจอา迦าสันติทัสสาภรชิชกชาจิกาเดเสตุธรมังอนุกรรมปิมหังปัจจังคณะสัาาตยาธโยมทุกท่านต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้ ปรรบธรรมกล่าวแสดงธรรมกล่าวสังเวทนิจกถฐาให้คณะศทศไทยญาติโยมทุกท่านได้ฟังก็ขอให้อยู่ในความสงบการฟังธรรมพะมีโอกาสหาโอกาสจัไม่หาได้ยากเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คุณยา่าคุณยายคุณโยมของเรา คุณแม่ของเราก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นวันนั้นพวกเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ควรจะตั้งอยู่ในความสงบปรองความสดสังเวชใจเราไม่ควรจะสนุกสนานเพิดเพื่อเนหาไม่ทรงจะไม่ควรจะทรงจิตใจไปทางอื่นควรจะอยู่ในความสงบนิ่งจึงจะถูก กาลเทศการสถานที่บุคคลถ้าว่าเราเข้าไปในโรงหนังโรงละครลงร้ร อ, อ, งองลำทำเพลงเราก็สนุกสนานพูดคุยกัน hey, เฮฮาแสดงออก อ, อ, อย่างหนึง่งแต่เมื่อเรามาอยู่ณนะสถานที่อย่างนี้เราจะไปทำอย่างนั้นมันผิดสถานที่ไม่ใช่เวลาโอกาสที่พวกเราจะนั่งคุยกัน เป็นโอกาสที่ฟังในการฟังนั้นแหะคือแสดงความเคารพต่อผู้วัยชนและก็เคารพต่อญาติพี่น้องลูกหลานของผู้วัยชนอีกตั้งหากแปลว่าเรารู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลแต่ถ้าว่าเรามาแล้วแสดงอาการไม่เคารพพูดคุยการตามปกติอันนั้นแปลว่าแสดงว่าเราไม่รู้ไม่รู้จักการเทนะ พระท่านขอล่าวเตือนย้ำให้กับพวกเราทั้งทั้งหลายอันนี้ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระป่านะเป็นพระป่าพระรงค์ได้รับการศึกษามาจากครูบาอาจารย์และท่านแนะนำสังสอนอย่างนั้นถ้าหาว่าเราเข้ามาในกลุ่มในหมู่ในคณะเราก็ต้องรู้จักกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาควรทำตนอย่างไรอัฏฐาอััญญตาความเป็นผู้รู้จักตน อัฏฐานยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลมัจตัญยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณตนกาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักรู้จักการเวลาควรจะทําปฏิบัติตนอย่างไรปุคลระโปรปันยุตาเมื่อเข้ามาหาบุคคลกลุ่มนี้ชุมชนคนนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปาตาในท่านสอน สิทธิย์ยาด้สิทธิ์ทั้งหมดเพราะนั้นหลวงพ่อยังเอามาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับพวกเราท่านทั้งหลายไ ด, ได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าพวกเราไปในสถานที่ใดถ้ารู้จักการเทศมันจะไม่ขวางครับนะเข้าไปแล้วก็จะอยู่ในความสงบนิ่งในการเข้ามาในจุดนี้แต่ถ้าว่าเราไปจุดสถานที่เริ่มเริ่อบันเทิงนะเราจะไปนั่งสงบนั่งพับออกมาพับเพียบ รับตายอยู่เขาบอกว่าแปลกแปลก แ, แต่ถ้าเรามาอยู่ในสถานที่อย่างนี้เรามาพูดมาคุยศาสนาแสดงความเออเรกรอเคฮาฮะก็เหมือนกับว่าเรามาอยู่ในไม่แสดงความเคารพในผู้วัยชนมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําพูดคํานี้แหละอย่างนี้แหละเราขอให้พี่น้องประชาชนสัตว์ทยญาติโยมทั้งหลายให้นําไปคิดดูใช่จริงไหม เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ฟังยอมในฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้คณะฟังจิตใจของพวกเราที่ได้ฟังอัดฟังธําก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใส นี่แหละอันนี้ก็คืออันนี้สงแห่งการฟังธรรมมีอยู่หอย่างแล้วก็สุสัสสงรัสเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าเราตั้งใจฟังไปนัถารที่ใดเขาพูดเรื่องข้อหาประชุมอะไรเราตั้งใจฟังเราก็จะได้รับความรู้เพราะว่าก่อนที่เขาจะนำมาพูดมาประชุมในเรื่องนั้นๆเขาต้องกันกรองมาแล้วเขาจึงมานามาพูด แต่พอเราก็มาฟังแล้วเราไม่ได้สนใจออมีแต่พูดคุยกัน เ, ออเรื่องสัพเพเหระอะไรก็ไม่รู้พอออกไปแล้วก็ท่านไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเนียเ อ, อ, อย่างนี้เพระว่าเปล่ า, ป ร, าประโยชนะ์นี้ผ็เหมือนกันนะั่นแหะถ้าเราพอมาสู่วัดออมาสู่ที่ฟังธรรมอย่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังนะศรัทธาญาติโยมไม่ตั้งใจฟังออมีแต่คุยกัน แต่ว่าไม่รู้จั ก, การาเทสะการสถานที่บุคคลฟังฝังไว้นะคณะสัตย์ทายท่โยมลูกหลานนะแล้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประโยคนะ์ทนะนะั้เข้าประเด็นนะั้นที่นี่นะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะัะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสะัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณธรรมโมหิมรณังอนัตติโตขยะวยธรรมมาสังฆาราอัปปมาเดนสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันสลดถหดหู ทางด้านจิตใจของลูกหลานญาติพี่น้องผู้ที่รักเคารพในคุณยายน่หรือคุณแม่สุพรพนาวัฒนวงศ์ที่ท่านได้มรณะลงไปวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเป็นวันสวดพระอภิธรรมคณะสัตย า, าติโยมโลูกหลาน ญาติพี่น้องในมาร่วมมารวมกันเพื่อสวดฟังพาอภิษพระอภิธรรมในงานสรีละงานศพของคุณโยมแต่คุณโยมคุณแม่ของพวกเราเป็นผู้ไฝ่ในการกุศลหลวงพ่อเองรู้จักกับท่านมานมนานทีเดียวแต่ท่านก็เข้าสู่วัดวาสานา ท่านก็เข้าไปสู่แต่เข้าไปหาหลวงตาแล้ท่านก็มีเข้าไปบ้างต่อมาท่านก็ไปกราบหลวงปู่เพียรบัตรหลวงปู่บุญมีครูบาอาจารย์มีหลายหลายองค์จากนั้นก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระคันน้องคันลูกขันหลานของท่านนะะั่นแหละแต่ต่อมากันน่ยลูกชายผู้โกงคนถูกท้องก็ไปบวชกับหลวงพ่อสมเดือน เพราะท่านหลวงพ่อจึงรู้จักมรคุนในตระกูลพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆท่านเหล่านี้ทั้งหมดเกือบจะว่าทั้งหมดที่เป็นลูกหลานของคุณแม่คือว่าคุณแม่เป็นผู้ใฝ่ในการกุศลใฝ่ในบุญในกุศลแนะนําสั่งสอนลูกๆหลานๆของท่านให้ใฝ่ในการกุศลเกือบทุกคนคือว่าทุกคนในลูกๆของท่านท่านจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว ให้กับลูกหลานของท่านเป็นสัมมาทิฏฐิคิดให้คิดไปในทางที่เป็นกุศลแต่ถึงยังไงคุณแม่ของเราคุณยายของเราก็ไปตามอายุสังขารถ้าจะว่าไปแล้วก็อายุของท่านเจอดสิบเท่าไหรนะ่นะนะ8ปบเจดบดคุณน่ะ อายุมากพอสมควรเออคือทำไมจึงว่าอายุมากามให้ดงในยุค ป, ปีพอศสองพนยเเเขาก็บอกว่าอายุไขของมนุษย์อายุไขของคนอายุไขคือมาตรฐานนะเนราะว่า75ปีเป็นอายุไขแสดงว่าคุณแม่ของเราไ ด, ได้กำไรไปหลายปีเหมือนกันคออายุ81นะ แปลว่าแบลที่ป็อายุในกำไรไปหลายปีแต่ว่ายังแก่ไหมสุขภาพของท่านก็ยังแข็งแรงอย่างที่หลวงพ่อได้พบได้เจอได้เห็นแต่เมื่อได้ยินว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเข้าไปเสีริ่างหลวงพ่อก็ยังหลวงพ่อเองก็ได้ยินก็เอา้าเป็นอะไรทำไมดูๆแล้วก็ยังแข็งแรงดีอยู่ทำไมคุณแม่จึงได้เข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ได้ถาม กิ๊กเป็นลูกชายคนสุดท้องเขาก็อธิบายพูดอะไรให้ฟังจากนั้นเมื่อลุงพ่อลงไปกรุงเทพเมื่อข่าวที่แล้ววันที่อิบเกี่สิลงพ่อลงไปทาธุระที่กรุงเทพสองสามอย่างลงพ่อก็ได้ไปนี่ทางเซิงเซาจานันทกนมาแสดงธรรมอยู่ที่วัดอโศกา ร, รามแต่ทาง เจ๊กเขาบอกว่าคุณแม่ป่วยที่โรงพยาบาลท่านนาจารย์จะมาได้ไหมโอได้ธรามาได้มากรุงเทพแล้วก็ได้ถือโอกาสนั้นไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลศิริราชแต่พอไปเห็นแล้วโอ้อาการหนักพอสมควรแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้แผ่เมตตาว่าตั้งกิจอธิฐานกุญยบุญกุญยกุศลที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมาโดยดีโดยตลอดโดยสม่ำเสมอ ขอให้คุณแม่ไปดีนะเนาะหลวงพ่อก็คิดได้เพียงเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านว่าเราเออมันถึงจุดหนึ่งมันจุกวิสัยเหมือนกันหมอจะรักษาขนาดไหนหมอดีขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนกับผลในสุดก็มีจุดจบเหมือนส่วนหนึ่งเออแปลว่าหมอสู้ไม่ไหวถ้าหาว่าหมอสู้ไหวเออท่านเขากวรรักษาต่อไป นี่มันมีสุดวิสัยเหมือนกันนะขนาศรัทธาญาติโยมทุกทกท่านนะเพราะนั้นถ้าว่าหมอถ้าว่าหมอเก่งจริงๆพวกเราคงจะไม่ได้ยินว่าคนนั้นมรณะคนนั้นตายก็คงจะไม่เคยคงจะไม่ได้ยินแต่นี่มันสุดวิสัยของหมอเมื่อเป็นสุดวิสัยแล้วจะทํำยังไงถึงหมอจะเก่งขนาดไหนก็เถอะขนาดหมอก็ยังไม่เว้น ที่หมอศ า, ศาสตราจารย์หมอขนาดไหนก็ยังไม่มีใครเว้นไปได้เพราะฉะนั้นจริงจางอย่างที่พระพุทธเจ้าที่านตรัสไว้ว่ามรณะธรร ม, มองอีกมรณะขณะตีโต เ, เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คื อ, อทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามก่อนทีจ่จะถึงจุดนั้นน่ะ ในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําบอกกล่าวให้กับพุทธบริษัทของพระองค์ให้พระองค์ท่านจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็กลัวเหมือนกันนะกลัวกลัวความตายเพราะเหตุไรจึงว่าพระพุทธเจ้ากลัวความตายพระพุทธเจ้าคองราชนะคล อ, องราชที่กรุงกัมพิญญาพัฒนอายุยี่ปีในพระบิดาก็ไว้เนื้อเชื่อใจวางพระไทยให้พระองค์ เป็นผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองตะนี้วันหนึ่งสิทธัตถะท่านเสด็จออกไปชมสวนอุทยานพอไปไปเห็นคนแก่คนแก่หลังคขา่าหลังขอมสักไม้เท้าผมขาวแล้วก็มองดูออพอท่านมองมากนะ็เห็นฟันไม่มีอีกต่างหากเพราะพระเจ้าสิทธัตถะไม่เคยเห็นเลยคนแก่อย่างนี้นะ ที่ผ่านหน้ามาผ่านหน้าราชรถนะเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนหน้านี้พระเจ้าชุกโทธทนาเนี่ยไม่ให้คนแก่และไม่ให้คนที่ว่าไม่พึงปรารถนาคนที่ไม่สวยงามไม่ให้เข้ามาในบริเวณนั้นแต่บัดนี้สิทธัธรรอายุถึง2ีปีก็บริหารประเทศก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเพราะนั้นก็ดปล่อย ปล่อยให้คนออกมาในถนนจากนั้นวันนั้นศีตถานั่งราชรถไปไปสมสวนไปชมสวนอุทยานพ่อไปเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยถามนายฉันน่าที่เป็นนายสารธีนะผููขารถมา้าบอกว่าฉันน่าอันนั้นเป็นอะไรนพระมเหสีท่านไม่เคยเห็นเพราะมันแปลกกว่าคนทั้งหลาย เออทำไมคนทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งแต่คนนี้ทําไมเมือนกับคนแต่มันไม่เหมือนคนอันนี้คืออะไรศรีธาร์บอกว่าอันนี้คนแก่พระเจ้าค่าฮะทาไมคนจึงแก่เราจะแก่เป็นไหมเนี่ยโอยเหมือนกันพระเจ้าข่าไม่มีใครที่จะอหลีกลี้ยงหนีพ้นไปได้ถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้เราพระเจ้าค่านีน่แหละความสลดสังเวชเกิดขึ้นต่อศรีธ า, าอย่างมากเลยวันนั้นเออจนนี่ถึงให้ หันรถกลับเวียงวังเลยไม่เฉด็จต่อไปเมื่อจากนั้นพระองค์จะเด็ตกับพลมานั่งคุ้นคิดในใหญ่เอเราจะทํำยังไงเราจะไม่เราจะไม่แก่หาวิธีการเหมือนกับวิศนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายถ้าไปเจออะไรขึ้นมาเขาจะต้องคิดหาวิธีการที่จะต่อต้านและต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นได้นี่ก็เหมือนกันศิตตะท่านนำมาคิดแต่คิดไม่ตก จากนั้นท่านก็ออเอื้อเอาไว้ก่อนจากนั้นท่าก็เฉลต์ไปอีกพอไปข่าวนี้ไปเห็นคนเจ็บนะเออเขาหามเปมาต่อหน้าชักที่นชักงอเออท่านก็ถามว่าฉันนะอันนั้นคืออะไรทําไมเขาเป็นอะไรเขาเจ็บเขาเจ็บใขรได้ป่วยพระเจ้าข่าอ้าวทำไมจึงเจ็บป่วยคนเราถ้าหากว่าเออเป็นอยู่ตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเราจะเจ็บป่วยไหมจะเป็นไหมไม่มีใครที่จะยกเว้น ทิฏฐาก็เกิดความสลดสังเวชใจอีกเป็นครั้งที่สองดังนั้นไปต่อไปอีกเสเ็จไปอีกเป็นครั้งที่สมคือไปเห็นคนตายเออขอหามเขออาโยกภาพพันแล้วเขาใส่เปแล้วก็หามไปคงจะเห็นเขาคงจะห่อไม่ดีเท่าไหรเ่เห็นคณะเป็นอะไรคนตายเ้าทําไมถึงตายเขาทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องความตายเกิดมาแล้วต้องตายอย่างนี้แล้วพะเจ้าค่ะ นี่และเกิดความสรดสรังเวชใจใหญ่หญลวงในสิทิสิตถากกลับมาเป็นครั้งที่สามพอจากนั้นพักมาเป็นครั้งออกไปอีกเป็นครั้งที่4พอเจร็ญไปขาวนี้ไปเห็นสมณะคือนักบวชคือพระคือใครเท่ากับลักษณะลักษณะเหมือนกับนักพรตนักบวชนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทําตัวให้ตรงนั่งคุ้นคิด หาวิธีการหาวิหาเรื่องราวจากนั้นจิตตถาเห็นมองเห็นแล้วอันนั้นเขาทําอะไรเป็นใครนายชนะก็บอกว่าอันนั้นคือนักพจน์นักบวช เ, เขานั่งหาหาหาแนวความคิดหาสิ่งที่เขาต้องการเขากําลังค้นคิดหาสิ่งที่เขาต้องการจิตตถาเห็นแล้วโอ้อันนี้ถ้าว่าเรา ได้มานั่งคุ้นคิดอย่างนีนะ้อย่างสมณะทันนี้นะ เ, เราคงจะมีช่องทางแต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวังบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีโอกาสที่จะคิดอย่างนี้ได้เรายกคงจะหาช่องทางไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในเวียงวังก็อยู่ในเวียงวังแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องบริหารจัดการเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องหาเลี้ยงชีพการทามาหา มูลให้กับประเทศชาติปานเมืองมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดในเวียงในวังเพราะฉะนั้นเราผมไม่มีโอกาสนี่แหละสาเหตุให้สิทธิัตทะเสด็จออกไปบวชเออถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านกลัวความแก่ความเก็บความตายนะณะาทายาติโยมลูกหลานนะเออพระพุทธเจ้าศิทธิ์ัตทะนี่กลัวเป็นจุดนี้เป็นจุดสนวนแรกคือทําใหพ้พระไทยใจของพระองค์หดหูเออหรือว่า หาช่องทางที่จะไม่จะทำยังไงถึงไม่เมาเวียนไหวตายเกิดจากนั้นพระ อ, องค์จึงหนีออกไปเวลากลางคืนพอหนีออกไปก็ไปอยู่ในป่าตามลําพังดูนู่นดูเขตกรุงแขวงราชคฤห์ดูแม่น้ำอโ น, อนมานาทีเพราะจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงถนวดบวชเป็นนักทอดนักบวชในแนวหนึ่ง จากนั้นพระ อ, องค์อยู่ตามลำพังดูสิว่าสิทธัตถะออกจากเวียงวังเป็นพระเจ้าเป็นินออกไปอยู่ในป่าดงพงไฟจะมีความทุกข์ปวดทุกข์ใจขนาดไหนพระ อ, องค์ไม่ได้แคร์ในการทุกข์ปวดทุกข์ใจพระ อ, องค์มีจะหาช่องทางว่าจะทอยังไงจึงจะหาวิธีการจึงจะรู้แจ้งเหตุจริงที่จะไม่เมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร นี่แหละอันนี้พวกจิตถะท่านคงมีอุปนิสัยเก่าแก่เพราะท่านเคยเป็นฤาษีสีไพมาในอดีตชาติอย่างนั้นพระองค์ก็ลองดูปฏิบัติอยู่ตั้ง6ปีนะบำเพ็ญตั้ง6ปีอยู่ตามลำพังล อ, อ, องผิดลองถูกลองถูกลองผิดอยู่ตั้ง6ปีแต่วันพอวันถึงเดือนหเพนเที่วันที่ได้ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพนิยานที่โคนต้นโค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 คือความรู้พิเศษขึ้นมาปุปเพนิวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาใ น, นคณาจาร ย, ย์ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกออตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกออถ้าหาว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกศิทธรรมจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรอันนี้พระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้ จะบอกปุกเพนี่วาสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนจุกตูปะปะตาตยานอพอถึงทัพ อ, องค์กาหนดตูใจพระไทยของพระองค์จุกตูปะปะตาตยานคือการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทาไมใจตรงนี้มาจากไหนที่มาเวียนไหวตายเกิดอยู่ในท่านมองคนอื่ น, นตอนหัวค่าพระองค์มองพระองค์ม อ, องตัวพระองค์เองนึกว่าเรามาจากไหน ยังร ะ, ะ, ะลึกชาติคนหลังได้โอ้ยาวเหยียดยชาติที่แล้วเรามาจากไหนชาติต่อไปเรามาจากไหนพระองค์รู้ ย, ยาวแต่พอมาถึงอพอถึงเที่ยงคืนพระองค์มองมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณพวกดวงวิญญาณที่มาเกิดทําไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งขี่ไล่ขี่เล่คนหนึ่ง พี่กองพี่การนิ่อุปนิสัยไม่เหมือนกันอีกต่างหากเออบางคนหนึ่งแต่ละคนแต่ละอุปนิสัยไม่เหมือนกันทําไมเกิดมาเป็นคนจึงไม่เหมือนกันทั้งที่เกิดเป็นคนแล้วมันเหมือนจะสแตนดาร์ดเหมือนเหมือนกันหมดอันนี้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะพระโพระ พ, พระพองคก็มองดูว่ากรรมกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมของขการกระทําของสรรพสัตว์ไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกัน ทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำพูดไม่เหมือนกันกรรมที่การทำออกไปนั้นให้ผลเหมือนกับเราคนหนึ่งเป็นคนดีใช่ไหมคนหนึ่งไปฆ่าคนเข้าในเมื่อคนที่ไปฆ่าไปเปลียดเลี่ยนคนเข้าไปพดไปโกงคนเข้าหรือไปทำผิดกฎหมายเข้าคนนั้นจะให้อยู่ดีๆได้ยังไงก็ต้องกิดพวกกติด ต, ดตาดนะเพราหละไเพราะทำไม่ดี นี่แหะถ้าทําไม่ดีพูดไม่ดีก็ต้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะที่ว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกรรมไม่ดีให้ผลออกรรมไม่ดีให้ผลมันก็เลยมาออกมาแตกแตกต่างกันคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้โอวาทปฏิโมกข์ว่าอัคตังลุกตังเสยโยปัจชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ก็ขอให้ฟังไว้ในะคณะสตาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพอถึงจวนสว่างพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัพพโยทีญาติอันนี้เลยคือความเป็นมาของพุท ธ, ธเป็นแบบฉบับของพวกเราเป็นตัวอย่างของพวกเราสำหรับให้พวกเรานํามาบำเพ็ญปฏิบัติเนี่พราะพองค์อยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้ตายแล้วถุนท่านทําอย่างไร จากนั้นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีรู้ไมด่ดีถ้าพวกเรารู้ว่าดีดีชั่วคืออะไรเราก็คงจะทําตัวใ ห, ให้ได้สบายๆเพราะอะไรเพราะเราว่าดู ด, ดีชัวนนะ่วเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานพวกคนก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราได้ศึกษามาในระดับนี้แล้ว ควรจะรู้ว่าออทาั้งทางโลกเราก็ผ่านมาทาั้งทางธรรมเราก็ผ่านมาออศึกษาธรรมะศีลธรรมจริยธรรมเราก็ได้ศึกษาทางโลกทางกฎหมายข้านเมืองเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นทั้งสองอยา่างเรารู้ทั้งสองอยา่างเราจะวางตัวอย่างไรนี่แหละอันนี้เราต้องปรับผุ่นกายวา ย, จายใจใจของเราให้เป็นคนดีน่าจะดีนะเออพวกเราดยอยู่ด้วยกัน อย่างลูกหลานของคุณยองคุณยายก็เหมือนกันนี่แหละมีหลายหลายคนนี่แหละคุณยายในหลวงจะเป็นห่วงไม่ใช่น้อยเหมือนกันเหมือนกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาหลวงพ่อยังสั่งเสียลูกน้องนะเอ้ยสู่เจ้าทั้งหลายอยู่ด้วยกันเน อ, อให้รักกันนะเนอะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนานและตั้งจังใจบวชปฏิบัตินะ อ, อ, อย่าให้มีอย่ให้มีปัญหานะ ถูก ด, ด้วยกันนะทาว่ดพวกสูเจ้าทั้งหลายทำตัวไม่ดีมีการทคราะ บ, บอกแว่งการมีการชกต่อยตีกันนะสูเจ้าจะเป็นแผลเป็นแผลในใจนะสูเจ้าถึงวันตายสูเจ้าก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นว่าฆ้าไปเจ้าไม่น่าจะทำเพื่ออะไรเพราะว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกพหลานทั้งหลายนะเป็นคนดีนะ หลวงพ่อก่อนที่จะออกมาจากวัดหลวงพ่อก็เป็นห่วง เ, เป็นห่วงวัดวาศาสนาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะลูกน้องบริวารมีหลายๆองค์นำมาจาก ต, าต่างตระกูลมาอยู่ด้วยกันแต่หลวงพ่อพยายามแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกห า, าลูกน้องบริวารแต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็บอกว่ า, าการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเหมือนกับนายมาลาการมาลาการคือนาย จัดพวงดอกไม้ในมล า, าการดอกไม้มันหลากสีสีเหลืองสีขาวเสสีแสดสีชมพูเอสีอะไรก็ตามแต่ถ้าวันเรามาร้อยให้เป็นพวงมาลาพวงมาลาพวงนั้นจะสวยงามกว่าที่ดอกไม้สีเดียวถ้าสีเดียวขึ้นมาถ้าสีเหลืองร้อยเป็นสีเหลืองอย่างเดียวถ้าสีแดงจะสีแดงอย่างเดียวมันจะไม่สวยงามเหมือนกับดอกไม้ที่มันหลากสี นี้ก็เหมือนกันถ้าว่าอยู่ด้วยกันถ้าว่าต่างคนต่างอยู่คนหนึ่งมีสติคนหนึ่งก็มีปัญญาคนหนึ่งก็มีความรู้ทางหนึ่งตัวทางหนึ่ ง, งคนหนึ่งรู้กฎหมายคนหนึ่งรู้วิชาความรู้วิศวะสถาปนิกอะไรอยู่หลายหลคนด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะพึ่งพาอาศัยกันเล่เท่านี้ถ้ามันมีกฎหมายเราก็ถามกฎหมายเป็นกฎหมายอรงนี้นเป็นยังไงคนหนึ่งก็ก็จะบอกอธิบายเรื่องกฎหมาย ถ้าว่าเรา เ, าเป็นสถาปนิกเราไม่รู้กฎสถาปนิกก็อธิบายให้ฝังการวางแบบแผนแผนแบลนแผนผังเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้วิศวะวิศวะเก็ต้องบอกแนะนําสัมพันธ์หวิศวะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้าจำพว ก, กคนหนึ่งก็ทาาาําอาหารเร่มพิธีทําอาหารเลี้ยงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อถ้าอยู่ด้วยกันหลายๆคน ถ้าหาว่าต่างคนต่างมีสติต่างคนต่างมีปัญญาต่างคนต่างมีความพร้อง ม, มีความพร้อมเพียงสมัครขีออ่ในบรรดาศิษย์หรือบรรดาญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันมากมายพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญและให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าพวกเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ชั่วฟ้าลินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่เรื่องการสวดแสวงหาทรัพย์ก็เหมือนกันถ้าคนใดมีบุญวานสนาบารมีแล้วพวกเราไม่ต้องคิดหรอก หลวงพ่อไม่ต้องคิดอย่างหลวงพ่อเป็นตัวอย่างหลวงพ่อนอ อ, ออกมาจากบ้านเป็นสมัมเนยน้อยตา เ, เดินผู้หลงมาแล้วจากนั้นก็มาอยู่กับองค์หลวงตาตั้งเมื่อเป็นพรนะได้สี่พรรษานะมาอยู่กับหลวงตาเป็นพระได้สี่พรรษาแล้วมาอยู่กับหลวงตาตั้งแต่ปี2512จนถึง2525เป็นเวลา13ถึง14ปีที่อยู่องค์หลวงตา จากนั้นเรออกไปอยู่ที่วัดป่านอาคำน้อยไปกัแ บ, บแบบ แ, บ, บ, แ บ, บมีแต่บริขารแปดเทนั้นเองไปอยู่นะหลวงพ่อเนี่ยพยายามดูแต่สิ่งไหนที่มันดีให้อยู่ในหลั ก, ลกพระธรรมวินัยอยู่ในหลักลกรอบของหลักพระธรรมวินัยสิ่งไหนที่มันดีพูดดีทําดีพูดดีแล้วต่อมาเนี่ยแล้วหลวงตาท่านก็ไปเยี่ยมบัตรท่านก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายแต่เราเป็นคนดีแต่สร้างสรรค์ พอต่อมาดีกว่เนี่ ย, นนยคุณงามความดีของเราเรามองดูรู้ว่าไหนเป็นอันไหนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราแต่ลงพอกเชื่อมั่นว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากคือพระธรรมคือคําสอนคือหลักเหตุผล ถ้าเรายึดหลักเหตุผลยึดหลักที่ถูกต้องยึดยึดหลักที่เป็นธรรมนั่นหลักหลักเหตุผลที่หลักที่เป็นธรรมนะจะค้มครองเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ยึดไม่มีหลักธรรมไม่มีความถูกต้องในจิตในใจไม่มีคุณธรมธรมศีลธรรมจะริยาธรรมในจิตใจพวกเราอย่าหวังเลยว่าจะมีความเจริญรุ่งเรือง อ, อต่อไปกันนะถึงเจริญรุ่งเรืองกับแบบคตรโกงเข้าไปกันทะลุดกันไปหมด เพราะนั้นหลวงพ่อเองมั่นใจว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากนี่แหละหลวงพ่อยึดจุดนี่แหละคือรักษาหลักพระธรรมวินัยอยู่นักสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อพยายามอยู่ในหลักพระธรรมวินัยพระธรรมคําสอนของพ่ะพุทธเจ้าอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละหลวงพ่ออยู่นสถานที่ใดล่มเย็นเป็นจุกนะลูกหลาน วฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราลูกหลานทุกคนนะให้ตั้งอกตั้งใจพ่ อ, อคุณยายก็จากไปะแล้วมีแต่พวกผีผีน้องน้องตรงักเคารพเมตตากันนะการอยู่ด้วยกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้ว่าพวกเราทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่นะแต่การอยู่ด้วยกันถ้ามีความพร้อมเ พ, พียงสามัคคีกันดีที่สุดนะคนโวารานก็ยังเปรียบเทียบสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กนะ โมพ่อก็มีพี่น้องโดยกันหลายครบเป็นหกคนนะเขาก็พูดพูดเป็นเป็นแนวแนวความคิดบ้านนอกนะดิษฐานบ้านนอกนะวันหนึ่งพี่ชายน้องชายไปยิงไปยิงแก้งไปล่าไปล่าแก้งไปยิงแก้งตายพอตายเสร็จแล้วท่นี้ก็เลยมาพูดให้พี่ชายพี่ชายไปไปพูดให้ให้เพื่อนให้เพื่อนฟังโอ้ยเพื่อนๆน อกูไปยิงไปยิงคนตายนะวะเนีไปนะไปไปไปช่วยช่วยกูหน่อยเถ้ะกูไปยิงคนตายทางเพื่อนโอยกูไม่ไปหละเอ้มึงจะทํำยังไงมึงจะไปหาทํำยังไงมึงจะให้กูติดคุกด้วยแล้วมึงทำไมไปหาทอย่างงั้นไม่ได้ไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปเออใกล้เขมาไม่ไปไม่ไปหวัวเด็ดตีนขาดเพือนเพื่อนแต่ไปหาพี่ชายพี่ชายพี่ชายเอ้ผมไปฆ่าคนตายเลยไปอยู่ทิ่นั้นตรงนี้ เออไปช่วยช่วยผมจะทำะไรเฮ้ยมึงทำมึงฆ่าคนตายจริงเหรอเออจริงอ่ะครับไ ป, ไ, ป ไ, ป ไ, ปไปรีบไปจัดการเออทำยังไงเออรีบจัดการให้มันจบจไปเออปลอไปไหนที่ไหนได้เ อ, อน้องชายไปยิงไปยิงแก้งฮะเออตายากันนั่นนนี่แหละอันนี้ใครข่ากไปเห็นน้โอ้อเนี่ยเ อ, อน้องชายกับพี่ชายก็นล้ได้อยู่กินเอามาชำแรละเนื้อมาแบ่งกันฮะนี่แหละ คนโบราณเขาบอกว่าถึงจะอย่างไรก็ตามในพี่น้องเนี่ยถ้อยู่ด้วยกันถ้าว่าถึงอย่างไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่คนอื่นถึงจะอาศัยได้อาศัยในระดับหนึ่งแต่พี่น้องเนี่ยถ้าว่าอยู่ด้วยกันมันพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยกันได้จริงๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราพวกทุกท่านอันนี้ก็คือคนโบราณเขาเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ก็เป็นแนวตัวอย่างอันหนึ่งเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกลูกหลานทุกคนนะแต่ถึงยังไงก็่าลืมศีลและธรรมอย่าลืมศีลและธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้เ น, นื้อของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนะลูกหลานนะหลวงพ่อเน่มั่นใจพ่อแม่ผู่ปู่อาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยจะเป็นองค์ไหนก็เถอะจะเป็นหลวงตาหมาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่เ้าหลวงปู่ควัน หลวงปู่เพียรหลวงปู่คุณมีหลวงปู่ไหนก็เถิดที่เป็นลูกศิษย์ลูกสายของหลวงปู่มั่นแล้วท่านมั่นใจท่านบอกเลยตายแล้วเกิดแน่นอนท่านยืนยันเลยอย่างหลวงพ่อนี่ก็เถิดหลวงพ่อบอกเลยตายแล้วเกิดแน่นอนนะลูกหลานนะจะว่ากี่เปอร์เซ็นร์เซ็นพันเปอร์หลวงพ่อยืนยันทั้งหมดหลวงพ่อเอาอะไรมาโคดถ้าอยากลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดมีวิธีกรรมวิธีการอย่างที่พระโคดจ้างท่านพาพิสูจน์มาแล้วน่ย ท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าแต่หลวงปู่มั่นบอให้ภาวนาพุทธโธนะืหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโพถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเฉยๆมันหุดมันหลงมันหลงเงินได้ง่ายมันหลงสนได้ง่ายมันลืมได้ง่าย วาะ น, นั้นสำทับกับพดโธนะหายใจเข้าพดหายใจออกโธถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามมีสติสัมปชัญญะกาหนดดูที่ลมหายใจไม่ให้มันเผลอไปที่ไหนจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบจิตใจจะสงบนิ่งเงียบสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่รับรู้ทางกายใจจะไม่สง่งไม่รับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิน่นทางกายทางหูก็ไม่ได้ยินมีแต่วัติกับจิตดูดูนิ่ง เ, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้อะไรเถอะเป็นเอกเทศเลยและสติกับจิตเป็นเอกเทศโรคก็ออกจากสมาธิเท่านั้นแหะเข้ามาสู่กายนี่ยรู้ได้ละโอ้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสทสอนเอาไวน้นยนัตถิสันติปรัรงสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้พบได้เจอวันนี้เองหนอง น, นี่แหละความสุขจากนั้นเราก็มั่นใจตัวเองว่าใช่ร่างกายของเราเนี่เมื่อจิตสงบเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตใจตัวนั้นตัวสงบนั้นเป็นอันหนึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนลวงพ่อบอกเนี่ยเมื่อจิตสงบอย่างนั้นแล้ว เ, เราจะเห็นว่าร่างกายเหมือนกับรถนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถนะีย มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถมันพังได้มันเผาได้อย่างคุณโยคุณยา ย, ยอีกสักหน่อยกนะ็ไปฝังแหละไปกบดิงแหละแต่ว่านามธรรมคือจิตใจนั่นนะออกจากร่างนะพอออกจากร่างแล้วไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆถ้าว่าเราทำกรรมดีบุญกุศลสร้างบุญกุศลบุญกุศลจะเข้าเป็นเพื่อนสองในดวงวิญญาณนะั้นจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปสวรรค์ชั้นพรหม ไปเที่ยวบุตรเที่ยวดาอินผมไปเกิดไปเลือกเกิดได้เพราะเหตุไดเพราะเขามีบุญเหมือนกับคนมีเงินออกจากบ้านไปแล้วไปต่างประเทศเขามีเงินเขาจะไปประเทศไหนเขาจะไปเลือกกินอาหารประเภทไหนมุ่งเพราะต่างประเทศเขาเป็นแบ่งกันไม่ได้เป็นคนซื่อสัตว์ขโมยกันไม่ได้อต่างหากของใครของใครของเราเรื่องบุญกุศลถ้าบาปอกุศนก็เช่นเดียวกันถ้าว่าออกจากครางนี้แล้ว ถ้าคนทากรรมชั่วกรรมชั่วจะเข้าไปเป็นเพื่อนสองอพาพวกเราไปสู่ พ, พันโลโรกไยพเน่ากั น, กนกไปตกตะกไปไปเป็นเปรตบ้างไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราะนั้นขอให้พวกเราพระตถาญาติยโยมลูกหลานนะถ้าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญไม่มีทางอื่นที่จะพิสูจน์ได้นอกจากนั่งสมาธิเพราะนั้นครูบายอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านจึงยืนยันยืนยันว่า ตายแล้วไม่สูงถามองไหนก็ถามนะพ่อท่านทําพอท่านเคยทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งแล้วนะท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครท่านเพราะนั้นท่านจึง อ, อ, อยู่ป่าดงโพงพยท่านเสียสละทั้งชีวิตทั้งชีวิตของท่านท่านไม่ได้ห่วงหาอะไรถ้าว่าเกิดมาในโลกเอาท่านก็อย่างนั้นแหละ เ, เกิดมาในโลกมีความสุขความสุขอย่างนั้นอ่ะอีกสักวันหนึ่งแต่จะต้อง หนีจากโลกไปด้วยกันไม่มีใครที่โชกฟ้าดินสลายเพราะฉะนั้นเพราะนั้นอยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่อย่างพระนี่ดีกว่าท่านที่ตัดจิงใจอยู่อย่างพระนะนี่แหละคือท่านนับเป็นนักทรองนักบวกที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านภาวนาท่านบอกว่านี่นะคนเราเกิดมานี่นะพอเกิดมาแล้วก็เราได้รับวีซ่ามา ไปไปเกิดชนะอพอไปเกิดแล้วเนี่ยอีกสักวันหนึ่งเขาก็ส่งวีซ่าให้ถึงคนคุณหมดวีซ่าแล้วนะคุณจะกลับไปต่างประเทศได้แล้ว เ, เขาก็ส่งวีซ่าให้มาในเมื่อเราเขาส่งวีซ่าให้มาเราก็ต้องกลับกลับต่างประเทศอย่างคุณโยมคุณยายเนี่ยมาเกิดมั น, นขั้นก็มาทํามาค้าขายหาบูญสร้างพุนสร้างก็ส่วเข้าสู่จิตช้อสูงใจของท่าน แต่พอถึงกำหนดแล้วเขาจะส่งวีซ่าให้ท่านก็ต้องเดินทางกลับต่างประเทศของท่านแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองมั่นใจว่าคุณโยมคุณยายที่ของเราคุณแม่ของพวกเราท่านมาสร้างมาเกิดก็มาสร้างบุญมาสร้างกุศลท่านไม่ขาดคุณแน่ๆเพราะท่านได้ทําคุณประยุกต์ทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติเ พ, พราะพุทธศาสนามากทีเดียวแล้วก็ท่านได้บาเพ็ญคุณงามความดีของท่าน โดยสม่ำเสมอตามอัตภาพของท่านแต่บัดนี้ท่านได้เดินทางกลับต่างประเทศบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงคงจะคุ้มครองเข้าเป็นเพื่อนสองของท่านท่านคงไปสู่สุขติไปสู่ถึงจะไปสู่ปารลกก็ไปสู่สุขติคือความสุขที่บุญกุศลเป็นผู้ชี้นําเป็นผู้พาไปเรื่องขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะสัตยา ญ, ญาณหลวงลูกหลานทุกคนนะ อย่างที่หลงพอ่อไดยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าชราธรรมโมหมิมรณธรมมหิมรนังอนาตีโตคือพวกเราทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงล่วงพ้นความตายไปไม่ได้และก็พร้อมกันหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติหลวงพ่อ เป็นพุทธพาสิต ท, ที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานในวันเดือน6เนพ็ญพระองค์บอกว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายจากนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็คือเนี่ย พยายามประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าไปทำสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีจากนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ขั้นก็เนี่ยให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้เพะเราอยู่ในชุมชนสังคมแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอันนี้คือเป็นพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวแนะนำํำ เจ้บริษัทจีลุกสิทธ์ของพระ พ, พุทธองค์เรีวยว่าพยะวยะธรรมมาสังคาราอัปมาเดนะซั่มปาเดฆ่าตินี่แหละขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะเดินตามและปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกลับพวกเราก็จะมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขความเจริญ อ, อย่างที่พระองค์ที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวว่ากรรมชั่วอย่าทํำเฉลยดีกว่าอากตังทุกตังเสยโย ปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วจะทํำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่คนเราทุกวันนี้นะเนีเป็นข้าราชการงานเมืองเป็นพ่อค้าพ่อขายจะเป็นใครก็าตามว่าตัวเองฉลาดเนีเป็นเรียนกฎหมายมาเออแล้วก็ทางรู้ทั้งรู้ทําผิดกฎหมายนีย ทำงานมาเป็นหลายหลายหลายปีที่ว่าตัวเองจะหาทางออกได้ไม่มีปัญหารู้จักกฎหมายผลในสุดก็น่นแหละพอโค้งสุดท้ายเขามาเขาจับได้ไล่ทัน เ, เราทำงานมากี่ปีผลสุดท้ายก็ในนัผลรางวัลของเราออกมากติดคุกติดตารางสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เยอะใหญนแต่มันเข้าหลักในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่ากรรมชั่วอย่าทำเลยดีกว่า ถ้าคิดว่ากรรมชั่วและอย่าทําจะเลยดีกว่าเพราะสิ่งที่มันชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเมื่อกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเออไม่เดือดร้อนอยังไงทั้งที่เราออกมาเมื่ออายุแก่แล้วกเกษียณอายุแล้วน่าจะเนได้พักได้พอนอยู่ตามสบายใช้เงินใช้ทองกลับไปอยู่ในคุกในตารางอย่างนี้เขมีกันเยอะแยกไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราทุกท่านนะ หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเป็นพูดในฐานะที่ว่ า, าพุทธศาสนาช น, ชนลวกพูดในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวออกไว้แล้วพวกเราหลวงพ่อเองก็ได้นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคน เ, เพื่ออย่าอยาให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั้นถ้าทําอย่างนั้นไปว่าเรามีความทุกขนะ์นะคณะสัทา ย, ยาญาติโยมลูกหลาน อนาคตของเราหมดสภาพเลยถ้าเป็นลักษณะนนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดถ้าพูดเข้าไปก็จะติดคุกติดตราดก็มีมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูด้วยกันมากมายต้องระบบระวังคําพูดโดยเฉพาะอย่างพี่น้องด้วยกันดูด้วยกันลูกหลานพงศาขณาจุดญาติอยู่ด้วยกัน ถ้าคำไหนก็ตามที่จะเป็นพิษเป็นภยัยจะทะเลาะปี้วาดกันคำนั้นอย่าพูดนะถ้าพูดทักไปแล้วมันเสียหาย อ, อย่างที่พวกเราเห็นนะที่เขาติดคุกตะลังมาตราหนึ่นึ่งนึ่งสองเนี่ยหลงพ่อไม่อยากจะพูดเลยทีเดหรอกแต่ว่าถ้าทําไปแล้วพูดไปแล้วนะแต่มันมีปัญหา เ, เพราะฉะนั้นจริงเราตั้งหลายทั้งปวงถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้อง มันจะผิดกฎหมายเขาเราก็ต้องระเวียงระวังการโพูดนะการกระทําก็เช่นเดียวกันก็ระวียงระวังอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออแต่ว่าการคิดเนี่ยการคิดไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายนะขันธศรัทธาญาติโยมแต่ผิดจริยธรรมจริยธรรมนี่ผิดนะเพราะพระพุทธเจ้าว่ามโนกรรมมโนกรรมคือความคิดคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ แคิดที่ไม่ดีทําให้จิตใจเศร้าหมองในเมื่อจิตใจเศร้าหมองขณะที่ใจจะขาดและจะตายไปเนะี่ยเราคิดไปในทางชั่วนะในเมื่อคิดไปแล้คิดโมกขุนโมโหโกธาเมตโรคโกดหลงอยู่ในจิตในแใ่ราคะโทสะนะอยู่ในจิตในใจขณะที่ใจจะขาดแต่เราไม่ได้ทํารแต่เมตใจมาคิดนะท่านจากนั้นถ้าว่าตกขอลกได้มั้งขาดเพราะจิตใจเศร้าหมอง นานลกเป็นทางไปหรือก็เป็นชัดที่ไรฉานเป็นทางไปหรือเป็นเป็นเปรตนีอันนี้ก็คือคิดไม่ดีถ้าทําไม่ดีเอออ น, นั้นคิดฆ่าเขาคิดขโมยเขาคิดคอมคิดผิดในศีลในธรรมอันนั้นแหะผิดการกระทําการพูดก็พูดสอเสียดพูดทำยาพูดเพ้อเยอะพูดโกโหกพกกลมต้มตุ๋นหลอดลวงอันนี้ก็คือการคิดการพูดที่ไม่ดี เพราะนั้นการพูดไม่ดีติดคุกติดตารางได้แต่การกระทําก็ติดคุกติดตารางแต่การคิดเนี่ยยังในกฎหมายเข า, เาจับไม่ได้แต่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะผิดนะแบบจิตใจเศร้าหมองทําให้จิตใจเศร้หมองจิตใจไม่โปร่งไม่ไม่ผองใสจิตใจที่เป็นบาปอกุศลทําให้ สวยกรรมได้เหมือนกันเพราะการกระทาในหลักของพุทธศาสนารมกรรมทําได้สามทางนะวะนะมโนกรรมคือคิดชั่วคิดดบโรคอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปรองไล่เขาคิดเห็นผิดอยากทํานองคลองทาอันนี้คือคิดผิดนะการทำผิดคือคิดลบคิดจะฆ่าเขาคิดขโมยของเขาคิดลาภละว้วงในสามีภรรยาคนอื่นเขา แล้วก็คิดแล้วก็ดื่มชูราอันนี้ก็คือการกระทําแล้วก็การพูดพูดเท็จคือโอหกเขาพูดเท็จพูดสอเสียดพูดทำอย่าพูดเออเพ้อเจ้อพูดยุแยงให้ทะเลาะวิวาทกันพูดไม่สร้างสรรค์พูดทําให้หมู่น่ให้คณะวงศาคณาญาติด้วยประเทศชาติบ้านเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนี้แปลว่าพูดไม่ดี พูดไม่ดีกับเป็นบาปเหมือนกันติดคุกติดตารางได้ mm hmm. เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราพวกทุกท่านการกล่าวสังเวทธ mm hmm. นิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุพภะษีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุภาพบุตรบุรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลว ง, ล ง, ล ง, ลงตาขอให้มาคุ้มครองลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่เป็น ลูกหลานดุสยติโกโหติกาของคุณแม่สุพรพันนาพัฒนาวงศ์เตทีเดทบอมเพนคุณงามความดีมามากมาย ก, ก็ข อ, ขอให้มาคุ้มครองลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยคืน sir